คนทนาสัุการณ์นท่านสักชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสัญญาสูตรประสูตรที่ว่าด้วยสัญญาเจ็ประการเราได้เคยได้ เ, เคยได้ยินคำว่าสัญญาในหลายๆสถานะด้วยกันสัญญาในสถ า, านะหนึ่งก็คือในขันทั้งห้า เ็เรียกว่าสัญญาขันเป็นการเน้นไปที่การจำสิ่งทั้งหลายที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของจิตสัญญาในที่นี้เขาเรียกว่าเป็นเจตสิกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตก็ทำให้จิตจำสิ่งต่างๆเอาไว้ สัญญาในความหมายหนึ่งเป็นความหมายถึงปัญญาโดยการเรียงความเข้มข้นของปัญญาไว้สามระดับตามคมภีวิสุทธิมักรเรียงเป็นสัญญ า, ญญาปัญญาและคมในเรื่องเดียวกันเนี่ยเรามีประสบการณ์แตกต่างกันโดท่านอุปมาเหมือนเด็ก เรียนรู้เรื่องเหรียญก็รู้เท่าที่รู้แต่เรียนเหล่านั้นเองเมื่อผู้ใหญ่รู้มันก็รู้ละเอียดมากยิ่งขึ้นรู้ปลอมรู้ไม่ปลอมรู้รุ่นรู้ยุครู้สมัยอะไรต่างๆได้แล้วก็เรียนนั้นนั้นแหละถ้ารที่ปฏกรมธนารักษ์เขรู้ก็รู้ละเอียดพิสดารมากกว่า หมความปัญญาในเรื่องเดียวกันนั่นเองแต่ว่าไม่ความแตกสาลึกซึ้งไม่เหมือนกันระดับจำท่านเรียกว่าสัญญาระดับแจ้งขึ้นก็เรียกวิวญญาณระดับรู้จริงทุกแง่ทุกมุมท่าเรียกว่าปัญญาอีกอย่างหนึ่งเป็นการเสริมสร้างสํานึกจิตสํานึก ก็ทรงใช้คำสัญญาเหมือนกันเช่นว่าเป็นสมณะสัญญาคือจิตสํานึกว่าเราเป็นพระและพยายามประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ความเป็นพระเป็นอุบาสกสัญญาอุบาสิกาสัญญาคือจิตสํานึกว่าเราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิก า, าการคริยาอันใดการกระทําอันใดที่เหมาะที่วควรแก่ความเป็นอุบาสกบาสิกาก็ประพฤติกระทําอย่างนั้น ก็หมายความว่าเรามีสถานะหน้าที่อะไรมีสานึกรับผิดชอบในภาระหน้าที่ตรงนั้นพูดง่ายว่ารับผิดชอบในสถานะของตัวเองอย่างที่ทรงสอนในพระพิณิติจาราว่าพิสู์ทั้งหลายมหาชนเขาเรียกร้องเธอทั้งหลายว่าสมณะสมณะที่เปลียาพูดสมติ เธอทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อมีคนสอบถามมาท่านเป็นใครก็ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะเพราะอาการกิริยานใดที่เหมาะที่ควรแก่ความเป็นสมณะก็ต้องประพฤติกระทำในอาการกิริยานั้นๆก็เรียกเหมาะสมแก่ความเป็นพระจารสัญญาจึงเป็นปัญญานะแต่ว่าใช้ในเรื่องอะไร ใช้ระดับจำระดับเสริมสร้างสานึกระดับพันธะกรณีการตกลงนัดหมายกันเป็นข้อผูกพันกันอย่างในความรู้สึกแบบชาวบ้านนะทุกทุกฝ่ยสัญญาก็คือแนวของการตกลงนัดหมายกันและทุกฝ่ายก็รับผิดชอบในตัวสัญญาตรงนั้นและปฏิบัติได้ตามที่สัญญากันไว้คือตกลงกันไว ถไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าเป็นการโกหกเป็นการหลอกลวงจนบางเรื่องบางราวที่เราเรียกว่าสัญญาประชาคมเป็นการตกปากรับคำหรือนัดหมายกันว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะต้องประพฤติกระทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติไปตามนั้นเพราะตรงนี้ท่านท่าจะเห็นว่าภาษาไทยเราจึงใช้เยอะ จนถึงกับเป็นสัญญาระดับใหญ่ๆที่จะต้องมีการประชุมร่วมกันของบุคคลทั้งหลายแล้วก็มีการให้สัตยาบัรในเรื่องบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องของสัญญาแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งชัยในความหมายของการ กำหนดพินิษ์พิจารณาสิ่งทั้งหลายในชีวิตของตนเด็กเป็นพวกอารมณ์ของกรรมฐานเราเคยศึกษาในรูปของกรรมฐานถึงสัญญาสิบในกิริมาณนนทสูตรทีทรงสอนแก่พระกิริมาณนนและที่เราได้ยินบ่อยๆนะก็คือพวกอสุภาสัญญา หรือสุภาสัญญาการมองสิ่งทั้งหลายในแง่สวยงามหรือแง่ไม่สวยงามตรงนี้ปริมาณของปัญญาก็เข้มข้นขึ้นในประโยคนี้มีลักษณะอย่างนัน้ตรงรับสั่งแสดงถึงสัญญาสิบประการก็เจ็ดประการนะฮะต่อกันสองสูตรสูตรหนึ่งแสดงโดยยอด่อสูตรหนึ่งแสดงออกพิสดาร หมายความว่าเมื่อมีสัญญาเกิดขึ้นในแต่ละข้อนั้นจิตมันจะถูกดึงกลับเข้ามาหาตัวเองทรงอุปมามันเหมือนกับอะไรเหมือนกับเอ็นหรือกับขนนกนะฮะพอเวลาเขาหล่นไฟเนี่ยมันจะม้วนเข้ามาหาตัวเองอันนี้เข้าทีนะฮะแล้วอุปมาเส้นเอ็นกับกับขนนกทั้งทั้งเจ็ดข้อ ท่านหลายคงนึกออกว่าที่เคยสอนพุกธสูตรูปหนึ่งที่ท่านมีปัญหาเรื่องจํานวนวินัยจํานวนสิขาบทบบมันมากเกินไปรุงรังแม้จะที่ที่จะเหยียดมือเหยียดเท้าก็ไม่มีท่านมีความรู้สึกอย่างนั้นเมื่อเพื่อนนาไป้าบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ารับสัง่งวาถ้ารู้สึกว่ามันมากก็ไม่ต้องรักษามากก็ได้รักษาสักอย่าง พิสูรรูปนั้นก็ตกลงก็รับสั่งว่าให้ทักษาจิตอย่างเดียวอย่าคิดไปภายนอกอย่างอื่นไม่ต้องรักษาโดยเห็นว่าจิตมันหมุนกลับเข้ามาหาตัวเองเพราะจริงที่เราไปทำละเมิดไปเกิดกำหนัดขัดเคืองรูปหลงมัวเมาในอารมณ์ทั้งหลายที่จริงจิตมันวิ่งออกไปข้างนอกตรงนี้เป็นภาพเป็นภาพสีชัดม า, าพกพราะพไฟลนแลยมันมันย้อนกลับ จิตเมื่อกันปรฝึกด้วยความเพียรในจิตมันจะย้อนกลับเข้ามาดูที่ตัวเองแทนที่จะวิ่งออกไปข้างนอกแต่ตามปกติจิตเราวิ่งข้างนอกนะเราจะเห็นว่นวิ่งไปข้างนอกวิ่งไปดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นเลี้ยรส ถ, ถูกต้องจนินตัดนนแก้วมาจากข้างนอกเท่านั้นแล้วยิ่งวิ่งไปมากเท่าไหร่ยิ่งมีปัญหามากเท่านั้นเพราะแนวของการปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาเป็นแนวที่ดึงจิตถ้าย้อนกลับเข้ามาดูที่ตัว เราดูพวกอารมณ์กรรมฐานนี่จะชัดมากน ะ, ะว่าทั้งหมดดูที่ตัวเราเองมาเรียนจากตัวเราเองทั้งหมดเรียนจากข้างนอกมามากมายกายกองยิ่งเรียนกิเลสยิ่งเพิ่มโลภะยิ่งเพิ่มโทสะยิ่งเพิ่มมานะยิ่งเพิ่มจิจิยิ่งเพิ่มมีปัญหามากมายตรงสอนให้มาศึกษาพินิจพิจารณาแล้วเนี่ย พอจะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะเกิดเป็นอุเบกขาพอเบกขาจิตมันก็นิ่งไงนะฮะนิ่งก็มองมองมอ ง, มอ ง, ม, องมองก็เห็นชัดเจนขึ้นแล้วจะประจักษ์แจ้งถึงผลการพิจารณาด้วยตัวของตัวเองเห็นความจางไปคลายไปบรรเทาไปของกิเลสด้วยใจตัวเองและทรงเรียงโทษ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการขาดสัญญาตรงนี้ในแต่ละข้อไวน้นะฮะก็สรุปแล้วก็คือหยาบแบบละเมิดศีลติดฟุ้งสั้นสูญเสียความสงบหรือว่าทบาบาตทากรรมอะไรต่างๆก็ว่าจิตมันวิ่งไปข้างนอกนะันสัญญาแต่ละข้อนั้นเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยที่บอกไว้ข้อแรกก็คือ อสุภสัญญาเป็นปนัญหาใหญ่เพราะเรามองโลกในแง่สวยงามที่ทรงชายก็มาอิทธากันตามนาปารุปาสตาคันธารสาปตบาทสูรอย่างนี้ทุกทีนะฮะไม่มว่าจะเทศี่ไหนก็ตามทรงชายคำอย่างนี้ทุกทีคือเราเมองว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจใจมันก็สายวิ่งไปตามตัวนอก ก็กำหนดสิ่งนั้นสวยสิ่งนั้นสวยสิ่งนั้นสว ย, สสวยอย่างที่พระเจ้าทรงมีอุบายอยู่ที่ฝึกพระอนุชาพระนนทน์ก็เริ่มต้นจากจิตท่านผูกพัน์อยู่ที่ก็เรียกว่าอะไรละ่ะพระมเหสีที่แต่งงานเสร็จยังไม่ส่งตัวเจ้าสาวนะจิตก็ผูกพัน์อยู่ตรง น, นั้น พระเจ้าก็นํามาที่วัดนิคโครูทารามที่กรุงกวิลพัทโดยวิธีการท่งบาตรได้ถือตามเสด็จพรนรนึก ว, ว่าพระเจ้าจะรับบาตรตรงไหนตรงหนึ่งก็ไม่รับไม่หันมาพูดด้วยเลยจนไปถึงนิคโครูทารามมาหันมากลับรับบาตรถามรนนจะบวชไหมพรนรนด้วยความเคารพมันตอบอย่างอื่นไม่เป็นนะตอบว่าบวชจะจับบวชด้วตรงนั้นหลย ใจท่านก็วิ่งไม่ได้อยู่ที่วัดนะอยู่ที่หวังตัวอยู่ที่วัดแต่ใจอยู่ที่หวังไม่สงบจนในที่สุดกินไม่ได้นอนไม่หลับกพผาายมผมพูะเจ้าก็ต้องใช้วิธีการการตามใจไปก่อนนะตามใจให้มันกำหนัดเพลิน <ๆ S 1> ไปเรื่อย<ๆ>ให้ดูไปเรื่อยนะดูจนอิ่มจนสำลัก แต่เริ่มจากดูลิงที่ถูกไฟไหม้ก่อนแล้วก็นำไปสู่ด้วยพุทธานภาพนำไปดูนางเทพอับสนในสวรรค์กันดาวดึกถามเหมือนกันหมดแล้วก็ตอบเหมือนกันหมดเหมือนกันเป็นไงนนสวยไหมสวยชอบไม่ชอบอยากได้ไมมอยากได้พอคนที่สองก็ถามอีกนนสวยไหมสวยชอบไม่ชอบอยากได้ไมมอยากไดกก้ก็ว่าไปเรื่อยๆนับๆไปอย่างนั้น แล้วในสุรพระุทธเจ้าก็รับประกันว่าเอาตั้งใจปฏิบัติธรรมนะแล้วก็รับประกันว่าจะให้ได้นางเทวสอสสรนนั้นมีวิธีที่ ท, ที่ที่แหลมคมมากนะคือใช้อุบายเยอะเลยพระนน์ก็ตกปากรับคำจะไม่คิดถึงถึงนางชนรบทกรกาญาณีที่แต่งงานกันนั่นนะฮะ เดี๋ยวพระเจ้ามาถึงก็รับสั่งเล่าตึกสู่ทั้งหลายฟังว่าพระองค์เป็นนายประกันให้อันให้ให้นนท์ให้เขาตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานแล้วจะรับประกันได้ได้นะครับสอเพื่อนก็รอรอว่าปฏิบัติธรรมะแบบลูกจ้างเดีวแบบลูกจ้างของพระพุทธเจ้านะพระเจ้าจ้างให้ปฏิบัติพรหมจันทร์มันเป็นขัตตยามานะคนเป็นน้องพระพุทธเจ้าน้องกษัตริย์นะครับเป็นกษัตริย์ เกิดคติยะมานะคือมองเกิดสู้ฮึดสู้ขึ้นมาปฏิบัติมันเป็นเพี่ยนไม่กี่วัดมารู้ ม, มาผลเป็นพระหันเลยนั่นเราเราจะเห็นว่าจิตที่ท่านแปลผันไปเนี่ยเริ่มจากการมองที่สวยงามแล้วมองในจุดเดียวพระเจ้าเสนอตัวเทียบเอาลิงมาเทียบก่อนนะแล้วเอานางอักษรมาเทียบแล้วก็นำกลับไปเทียบกับลิงกับนางชนบทกันนีกับนางอักษรนางหลายมาเทียบกันไปเลยคิดเทียบ จิตมันก็วิ่งเกาะไปเรื่อยๆจิตวิ่งเกาะไปเรื่อยๆจนในที่สุดพอให้เหตุผลมันก็เข้าใจได้ว่าการกำหนดในแนวนั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดก็วิ่งไล่ความอยากกันแบบวิ่งไล่เงานั่นเองในสุดก็ส่งหมอสรงสอนให้มองแต่ไม่ไม่อสอนตรงนะฮะคือหมายความมาให้คิดเอาจากภาพที่ดู อสุภะสัญญาก็คือการมองในแง่ที่ไม่สวยงามในแง่ที่ปฏิกูลในแง่ที่สกรปรกในแง่ที่เป็นที่ประชุมของโรคในแง่ที่ต้องป่วยหน้าผู้พังกันและแต่จะมองจุดใดนะะแต่ส่วนมากแล้วมองมองทั้งกระบวนการของชีวิตี่เห็นว่าเป็นเป็นรังของโรคเป็นของป่วยหน้าผู้พัง แล้วจิตเราไปกำหนัดพอใจในจุดใดก็มองในจุดนั้นโดยใช้ปัญญาพิจณามองถึงสีถึงกลิ่นถึงที่เกิดถึงที่อยู่ถึงอาการสะสมหมักหมมของสิ่งเหล่า น, นั้นจนจิตใจมันคลายกำหนัดบัรบันเทาความกำหนัดลงไปเพราะถ้าตั้งหลายจะเห็นว่าวิธีของศีลก็คือวิธีบรรันเทากิเลส ก็ยังไงก็ไม่รู้อํานาจแก่กามารมณ์ที่บังเกิดขึ้นจนถึงไปผิดศีล น, นะก็ดีขึ้นเยอะนะฮะเยอะขึ้นดีขึ้นเยอะอย่างน้อยก็ไม่ละเมิดศีลข้อระดับกางเลยพอได้ข้อนี้มันก็ไต่เป็นบันไดขึ้นไปอีกขึ้นไปอัพรรมอัพ ร, รัมก็แนวกระเจาะลึกไปเรื่อยนะฮะเจาะลึกไปเรื่อยจนจิตสงบแม้แต่ความคิดก็ไม่มีเราจะเห็นว่าแนวแนวสมาธิก็คือสงบความคิดตรงนี้ แม้แต่คิดก็ไม่คิดจนถึงก็ตัดขาดไปเลยไม่ใช่ไม่คิดเฉยๆแม่มากระตุ้นให้คิดก็ไม่คิดนั้นคือจิตที่สงกเป็นสมาธิเมื่อก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกคิดไปเรื่อยๆที่เกิดกําหนัดขัดเคืองเกิดกําหนัดนะเกิดกำห น, นะนัดขัดขืนรุ่มหลงเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาพิจิตริจิจ น, นาในแง่ของความจริงก็ทรงสอนให้มองในแง่ของความจริง เรียกว่าอสุภสัญญาคือกำห น, นดหมายเห็นในมุมที่ไม่สวยไม่งามไม่ใช่มองไปมุมสวยงามมุมเดียว ซ, ซึ่งว่าว่ากันตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่สอนให้เห็นความไม่สวยไม่งามมันเยอะกว่าเยอะแต่ก็มีการปรุงแต่งมีการประดับประดาแล้วก็จิตใจก็สมยอมไปตามการปรุงแต่ง ใจก็ถูกชุดไปตามกระแสะของอารมณ์แล้วก็ถูกกำหนดไปอย่างนั้นอย่างนั้นในสุดก็วิ่งไล่ความอยากกันไปเหมือเมื่อตรงใช้อย่างนี้ก็สรงแสดงว่าจิตมันจะมันจะงอกลับเข้ามาดูแล้วดูที่เราเองเราก็จะเห็นความปฏิกูลง่ายนะฮะความไม่สวยไม่งา น, นเห็นได้ง่ายการต้องต้องอาบน้ำํำระสะส áng, รารอะไรแต่ไรแปลงฟันทั้งทั้ ง, ท, งทั้งหมดเลยนะ แต่ได่อยางมันมันแสดงให้เห็นถึงความไม่ไม่สวยงามหรือความปฏิกูลของร่างกายประการต่อไปนั่นคืออสุภะไม่ใช่มรณนะสัญญาส่งใช้กับมรณนะสัญญานะฮะหมายความว่าการมองชีวิตกับความตายที่เป็นสิ่งที่ติดกันอยู่การเกิดกับการตายเนี่ยก็ติดกันอยู่ แลหลายกองนึกออกว่าเวลาสอนในแนวของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยดูเกิดกับตายนะฮะดูเกิดกับตายแล้วเสร็จแล้วดูตายเฉยๆนะดูเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คือเกิดตั้งอยู่ดับไปแล้วเกิดตายตั้งอยู่ไม่ดูนะดูดูเกิดดูตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายได้เกิดดับเกิดดับเกิดดับก็จริงก็คือเกิดตายเกิดตายเสร็จแล้วก็ดูตายตายตายตาย ละะักษณะคล้ายๆกับเรือนี่ถูกไปไหม้หิมะละลายน้ําไหลลงมาจากที่สูงเป็นชีวิตที่ไม่ย้อนกลับเป็นการมองเห็นว่าไม่มีการย้อนกลับของชีวิตความตายนั้นให้มองในร ะ, ระดับหยาบๆก่อนระดับของการมองคนตายสัตว์ตายต้นไม้ตายอะไรต่ออะไรนะ แล้วเห็นว่าตรงนี้ที่จริงเรามองง่ายนะฮะเข้าใจง่ายเพราะว่าเพราะว่าใจเราไม่ไปกําหนัดขัดเคืองกับสิ่งเหล่านั้นที่มองยากที่สุดคือทำใจยากที่สุดคือในสิ่งในคนที่เรากําหนัดขัดเคืองเรารักเราชังนะฮะไอคนที่เราชังเราอยากให้ตายแต่มันไม่ตายคนที่เรารักเราไม่อยากให้ตายแล้วมันเกิดตายเราก็เป็นเป็นทุกข์เพราะการตายกับไม่ตาย เห็นไหมเสร็จแล้วเราทุกข์เพราะตายกับไม่ตายท้าไม่มีปัญหาในด้านเพิ่มความรุนแรงของกิเลสเพิ่มความรุนแรงของอารมณ์นั้นก็แสดงให้เห็นว่าในกรณีที่เราไม่รักไม่ชังเนี่ยบางทีเราก็อธิบายใครฟังอะไรแต่ใดได้ เป็นวญญายาดผิดน้องประสบกับความสูญเสียเราก็ไปปลอบเขาได้อธิบายได้ชี้แจงเหตุผลได้แย่เลยแต่ประผลขาตาตัวเองประกวดว่าร้องไห้กัน2วันสามวันเลยลงไม่ตกนี่ก็เป็นเป็นเป็นเป็ น, ปนอิทธิพลของจิตที่ไปกำหนดด้วยความเข้าใจผิดว่าอะไรว่าชีวิตเป็นของเชี่ยงแท้ยั่งยืน ดังนั้นแนวเนี้ยแนวแนวปีนหาปจัจจเวกขณะในทันทันทั้งหลายเห็นว่าทําไมพระเจ้าจึงส่งสองนให้คิดบ่อยๆมันต้องคิดบ่อยๆต้อง น, นึกไว้บ่อยๆไม่งั้นแล้วก็จิดจะไม่มีหลักคือตั้งหลักไม่ได้พอไปเจอความจริงเข้าปรากฏว่าสูญเสียการทรงตัวหรือตั้งหลักไม่ได้จนถึงกับบ้าไปก็มีนะอาจจะเห็นว่าพอเกิดการพรากๆสูญเสียก็ถึงบ้าไปเลย เรทรงสอนพิจารณาความตายในสามลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือความตายที่เกิดขึ้นในแต่ละขนาดทำให้เป็นการฉกชิงโอกาสว่าก่อนจะตายเนี่ยตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เอาก่อนจะตายแล้วจะต้องรีบเร่งกระทำความดีมองใล้ๆกับเรือนในกะวังถูกไฟไหม้ รีบจิบสวยเอาของที่มีค่าออกมาให้มากที่สุดถ้าที่จะมากได้เราหยุดเรือนถูกไฟไหม้ไม่ได้นะจะดับตรงโน้นไม่ได้แต่เราก็ดึงของมีค่าออกมานั้นเป็นการมองเห็นว่าแบบที่พรามก็อุ ป, ปมารจริงเราเข้าทีมกันนนะแต่เราจะไปติดให้มากพรามก็อุ ป, ปมาว่า มันเหมือนกับเสื้อที่เราสวมคือเสื้อขาดนะแต่ว่าเราก็เปลี่ยนเสื้อใหม่หรือบ้านที่เราอยู่บ้านพังเราก็ย้ายบ้านบ้านพังเราก็ย้ายบ้านบ้านพังก็ย้ายบ้านค่อนข้างจะมีอัตราตัวตนมากอยู่แต่ที่จริงแล้วก็ดูง่ายนะฮะดูง่ายศาสนาพราหมณ์ขึ้มายอย่างนั้นก็ ความตายอย่างหนึ่งเราจะเห็นว่าที่อาการรมรณะคือตายในโอกาสที่ไม่น่าตายตายด้วยความประมาทพลาดพลั้งด้วยการกระทําของบุคคลอื่นโดยการไปการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยภัยธรรมชาติตอะรไรเนี่ยมันก็ไม่น่าจะตายแต่เราก็ไปอยู่ในตรงนั้นหมายความว่าเราไม่อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ตาย มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังแต่ว่าเราก็ไม่ได้พิสูจน์ทดสอบอะไรนะฮะท่านบอกว่าที่จริงนี่ที่ตายก็ถูกกาหนดไว้แล้วที่ทําไปแต่ก็เล่าให้ฟังถึงอาจารย์คนหนึ่ ง, ขงเขาเรียนในทางเนี้นะกงกับพันชาติอะไรอะไรยิงไม่เข้ายิงไม่ออกยิงไม่เข้า แล้วพอดีลูกศิษย์ถูกยิงตายเขบอกไม่ใช่มันถึงที่ตายกันถ้ามาอยู่ตรงนั้นแล้วยิงไม่ออกเขาบและเสร็จแล้วเขาก็ลากศพออกมาจากตรงนั้นมายิงดูไม่ออกจริงอันนี้ก็เป็นความเชื่อค่อนข้างทางสยสตร์นิดหน่อยนะฮะเราก็ไม่ไศึกษารายละเอียดแต่ผู้เจ้าทรงแสดงเป็นภาพรวมๆ ว, ว่าในโลกนี้ไม่เคยมีที่ที่สัตว์ไม่เคยตาย ตายทั้งหมดทุกคนทุกแห่งนะเพียงแต่ตายเมื่อไรเท่านั้นเองแล้วก็สัตว์อะไรตายใครตายอะไรตายแต่ว่าไม่มีที่ที่สัตว์ไม่เคยตายอยู่ในโลกนี้เพียงแต่ไม่บอกว่าตายตรงไหนแต่ว่าท่านท่านนึกอ อ, อ ก, กว่าเรื่องนางอุภรีที่พระนางอุพรีที่ร้องให้พระสามีที่วงคตไปแล้วก็เทวดามาถามมาเธอร้องให้เพราะ สามีองไหนเพราะสามีเธอตายตรงนี้ก็เผาตรงเนี้ยนะมาเป็นหมื่นหมื่นครั้งนะตายตรงนี้เรามาเผาตรงนี้อยู่หมื่นหมื่นครั้งแล้วเธอเองก็เป็นเป็นพันยาของเขามาเป็นหมื่นหมื่นครั้งแล้วก็ร้องไห้ตรงนี้มาเหมือนกันหมื่นหมื่นครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกว่าที่ตายนะหมายความว่าคนคนเนี้ยตายแล้วก็เผาตรงนี้ ตายตรงไหนไม่ได้บอกนะฮะแต่ว่าเขาตรงนั้นมาเป็นหมื่นหมื่นครั้งแล้วอีกอหนึ่งก็คือกาละมรณะคือตายในข่าวที่ต้องตายตรงนี้ไม่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ว่าอายุเท่าไหร่ตายเพราะไม่เป็นเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งว่าหมดบุญหมดอาหารหมดอายุอะไรต่ออะไรมันหมดเราก็ตายแต่สรุปว่าชีวิต ความตายนั้นความตายพร้อมจะแสดงออกมาทุ ก, ทกขนาขณะแต่ว่าคนส่วนใหญ่นั้นจะมัวเมาประมาทในชีวิตเพรา ะ, ะนั้นพระเจ้าก็สอนแนวมรณะสัญญาให้นึกถึงความตายไว้เบิ ก, ก่อยอย่างน้อยที่สุดนี่จิตจะงอกกลับมาดูตัวเองดูตัวเองจะดูในแง่อะไรก็ แล้วแต่เราจะเห็นว่าบางท่านก็ดูในแง่สังสารวัติเฉยๆอย่างเส้นสอนพราหม์เท่าคนหนึ่งก็สอนในแง่สังสารวัตไม่ได้สอนแง่มรรคผลในปานตัวเวลานี้ท่านแกงง่งอ่นมลงแล้วพระเจ้าชีวิตของท่านข้างหน้านี่ยังอีกไม่กี่วันแต่ว่าท่านยังไม่มีสเสบียงสเสบียงเป็นเครื่องอาศัยที่จะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งของท่านใหน ในสัมภาระภพเพราะนั้นเราขอให้สร้างสิ่งที่เป็นสเสบียงเป็นเกาะเป็นชีพพึ่งของตนเองในสัมภาระภพกก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องไปมาก่อนนิพพานอะไรแต่ว่ามองความตายแล้วก็ตุ้นเตือนไม่ประมาทเราตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วชีวิตหลังตายมันมากกว่าชาตินี้หรืชาตินี้มันสั้นนิดเดียว าราชีวิตหลังตายอีกกี่พ่กี่ชาติก็ไม่รู้เพราะงั้นก็รีบเร่งสร้างส่งบุญรุงความดีเอาไว้แล้วในพระสูตรตอบไปใกล้ๆกันนะฮะที่จริงคระทรงเล่าถึงว่าบุญญะวิบากวิบากสูตสูตรที่ว่าวิบากของบุญทรงแสดงถึงการเจริญเมตตาอย่างเดียวนะฮะเมตตาอย่างเดียวเจ เจ็ดปีต่อกันนะะเจริญเมตตาเจ็ปีต่อกันแต่มันอำนวุผลที่ไม่ต้องประสบความทุกข์ราบต่ำทั่วไปนะครับมนุอยู่ในทังสารวัรนั่นเองแต่ว่าบาังเกิดอยู่ในปรมาโลกเป็นอะไรต่ไรดีๆทั้งนั้นมาแล้วเกินเป็นนับไม่วาดไม่ไหวนั่นก็แสดงเห็นว่าพลบุญจะช่วยในแ ง, ง่ของสังสารวัฏ หายความว่าไมาถึงเงินมักมกผลนิพพานได้ช่วยพบช่วยชาติให้มีความประนีตปังจริงคืนหยิบก็จะงอกลับมาดูถึงชีวิตเหมือนกันแล้วก็จะไม่ไปสร้างเงื่อนไขเพิ่มบาปมีกีวันเราจะตายแล้วแต่ตเลาะบบกแวงงไปประมาณคิดง่ายๆอย่างนี้นะะมันก็มันก็หาข้อยุติอะไรไ ด, ได้แต่คนที่ ไม่คิดถึงความตายส่วนมากแล้วทำบาป็นตายเว่าเราคิดคิดถึงความตายถึงถึงจุดหนึ่งนี่ไม่รู้จะทะเลาะ ก, กันทำไมจะแย่งอะไรกันไปถึงไหนเพราะในสุเราก็ต้องตายกระวการต่อไปนั้นเรียกว่าหาเรปฏิกูลสัญญาเป็นการมองอาหารในแง่ของความปฏิกูลโดยเห็นว่าปัญหานี้ปัญหาใหญ่เลยนะฮะ ถ้าเราบรรลวัถถุประสงค์ในการบริโภคอาหารได้มันจะประหยัดอะไรได้เยอะเลยการปรุงสีปรุงกลิ่นปรุงรสปรุงรูปแต่ก็รสนิยมแพงๆอะไรๆกินของแพงๆมันจะลดลงไปจะน้อยในในแง่เศรษฐกิจเนี่ประหยัดได้เยอะแต่ว่าเรามองในแง่ของความอร่อยเราจะเห็นว่า อาหารจึงกลายเป็นเป็นอาหารก็เรียกอาหารตาอาหารตาอาหารหูอาหารจมูกอาหารลิ้นอาหารกายอาหารใจมันมัมันมันครบทั้งทั้งหกแทนที่จะเป็นอาหารกายเนี่ยมันมันมันเป็นหมดทั้งหแต่ปกติจริงๆอาหารมันเป็นอาหารกายเป็นอาหารของร่างกายนำผลมาแก่ร่างกายให้คุณค่าแก่ร่างกายแล้วก็ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปแต่นั่นเอง ถ้าเกินไปจะมีคุณค่าอาหารยังไงกระตามกมันก็ก็กลาเป็นกากอย่างที่รู้กันเรื่องอาหารเรปติกูลสัญญานั้นพระดี่จะเน้นมากเพราะว่าพระบินทบาตอะนะพระบินทบาทแล้วก็มันเลือกอาหารไม่ได้มันก็ต้องกินอ่ะก็ต้องกินสงใชยกรรมยาปนามัตตังคือยังชีวิตแต่มันอยู่รอดแล้วกัก มองคล้ายๆน้ำมันหยอดเครื่องในเครื่องมันเดินได้กันแล้วกันต้องการต้องการอาหารร้อนได้อาหารเย็นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะต้องการร้อนต้องการเย็นได้ร้อนต้องการอย่างนึงก็ได้อย่างหนึ่งมัน เ, เลือกไม่ได้แล้วรูปแบบจริงๆเลือกไม่ได้นะฮะแม้แต่น้ำปรามาเพิ่มก็ไม่มีรูปแบบจริงๆพวกเคือบินทบาทนะฮะบินทบาทแต่ว่า ในปัจจุบันอะไรมันก็สูงขึ้นมาเยอะญาติโยมดูแลซะเยอะเลยแต่ถ้ารูปแบบเดินจริงๆเนี่ยเราบินธบาตบินธบาตได้เท่าไหร่ก็ฉันกันเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ฉันรวมเป็นหมู่อย่างในอย่างในสมัยปัจจุบันตสมายพระพุทธเจ้าพระท่านบินธบาติพอเห็นว่าพอฉันแล้วต้องก็ไปนั่งริมแม่น้ํำตอนไหนนั่ก็ฉันก็ล้างบาทเก็บาบาก็อยู่ในปา่าความสงบอยู่ในปา่า ไม่ได้สูงสิงไปยุ่งอะไรกับใครก็จะยังชีวิตได้เป็นไปด้วยอาหารที่ได้มาอย่างไรเพราะฉะนั้นจะส่งสอนตั้งแต่รับอาหารนะมีกําหนดบทพิจารณาไว้สามช่วงซามสามจังหวะของของของปัจจัยสีเพราะาชีวิตมีปัญหาเรื่องปัจจัยสีเยอะและพราเราปัจจัยสี่มาไปเกี่ยวข้องกับชาวบ้านต้องอิงอาศัยชาวบ้านตะตาของชาวบ้าน ดีไม่ดีก็ไม่รู้่นะก็แล้วแต่บางทีก็หรูหรามุ้าไม่ใช่ธรรมดาก็มีนะมันก็อยู่ที่ศรัทธาเขาอย่างพระพุทธเจ้าบางทีผ้าราคาปเป็นแสนแสนเขาถาวายก็เรื่องของเขาอะเรื่องของศรัทธาแต่พุทธเจ้าก็คือผ้าแต่นั้นเองเป็นการฉลองศรัทธาเขาเมก็ต้องการบุญเขาก็กปรารถนาทำบุญก็ว่ากันไปในขณะบริโภคใช้สอย แล้วหลังจาก บ, บริโภคใช้สอยนั่นคือแนวที่จริงเป็นแนวธรรมปฏิบัติเป็นแนววินัยนะเขาเรียกแนววินัยไม่ใช่แนวกรรมฐานเพราะแนวกรรมฐานก็คือสอนเรื่องอาหารหรือปฏิบุรสัญญาพิจารณาอาหารนี่ยนั่งนั่งดูนั่งพิจารณาสามารถบรรเทาความจากคือไม่บริโภคด้วยตัณหาแต่ว่าบริโภคให้ชีวิตมันเป็นไปได้ แล้วก็มองเห็นว่าชีวิตพวกขึ้นอยู่กับอาหารแต่โลกจะดํารงชีวิตยอยู่ได้ก็เพราะอาหารแล้วในขณะเดียวกันก็มองอาหารซึ่งเป็นตัวรักษาเป็นตัวสร้างชีวิตเป็นตัวดํารงชีวิตเนี่ยว่าเป็นของปฏิกูลปฏิกูลตั้งแต่ตัวสภอ้อผ้าคอมบนก่อนจะมาเป็นอาหารในกระบวนการการเป็นอาหาร แล้ในขณะที่อยู่ในภาชนะในขณะที่ใส่ปากในขณะที่เคี้ยวในขณะที่กลืนในขณะที่อยู่ในท้องในขณะที่ครับทายมาตั้งแดูมันตลอดมันทั้งทั้งกระบวนการของอาหารเพื่อมองเห็นว่าสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยก็เป็นสิ่งปฏิกูลมันก็ย้อนกลับไปสู่ร่างกายว่าร่างกายมันเกิดมาจากของปฏิกูลแล้วมันจะสะอาดได้ยังไงก็ จะทำให้เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอาหารในกายตนในกายบุคคนอื่นออกไปพอถึงจุดหนึ่งนี่ค่อนข้างค่อนข้างมองยากนะฮะสงชยัยคำว่าสัพพโลเกยนาิรตะสัญญาการกำหนดหมายมองสิ่งทลายมองโลกทั้งปวงว่าไม่น่าชื่นชมยินดีอะไร อันนี้ค่อนข้างย้อนสอนแรงมากทวนกระแสแรงมากเพราะชาวโลกนั้นจะกำลัดเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงอยู่นนในอารมณ์ทั้งหลายของโลกอย่างที่บอกว่าโลกเรามันเป็นโลกกามาวะจะระพูมนะฮะจิตชาวโลกส่วนใหญ่เขาก็หมกมุ่นวุ่นวายอยู่ในเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าจกลับสอนให้มองว่าไม่มีอะไรที่น่าชื่นชมจิตติ สมบัติเศษทึ้งการมีมากดีมากทุกมากมีน้อยทุกน้อยไม่มีก็ไม่ทุกนะฮะหมายความเอาเราไปเกาะตรงไหนแล้วยุ่งทุกขีจะเกาะด้วยความยินดีหรือความยินร้ายก็ตามจริจริงมันยุ่งทุกขีแต่ว่าไอการยินร้ายนั้นเราไม่วิ่งไปหาเขาอะไรจะยินดีเราวิ่งไปหาเขาอะเรายอมไปทาทเขาวิ่งเข้าไปติดตามไป เพราะฉะนั้นจึงเน้นไปที่ตัวยินดีเพื่อสลายความไม่ยินดีแต่ไม่ใช่โกรธแต่ให้มองในแง่ว่ามันไม่น่ายินดีอะไระก็ศึกษาเนี่ยศึกษาอารมณ์โลกเนี่ยรูปสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นเรานอนแข็งศึกษาตัวก็จะดูอะไรก็ตามนะฮะดูอะไรก็ตามมองให้เห็นว่าที่จริงมันก็ไม่น่ายินดีอะไรเป็นเรื่องของจิตที่ปรุงขึ้น หมายความว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สวยงามสากลความสวยงามจริงๆมันไม่มีที่เป็นสากลมันเกิดจากการปรุงของจิตการกําหนดหมายของจิตแต่เราลองลองดูว่ารูปสวยนี่มีสากลไหมให้สวยยังไงก็ตามนะฮเลือกมาเป็นนางงามจากกาักรวาลตะกีจั ก, กรวาลก็ตามแล้วถามทุกคนดูว่าสวยไหมไ ม, มีคนติจนได้ไม่มีใครว่าสวยหมดแล้วต้องมีคนติจนได้ มันก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกับประชาธิปไตยเหมือนกัรัฐธรรมนูญเนี่ยแก้มายังไม่ถึงปีนะฮะรัฐธรรมนูญนี้ประกาศชา ย, ยังมีกี่เดือนเห็นไหมเขาแก้แล้ววันก่อนแล้วก็พวกที่ที่ร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองฮะเสนอแก้เองตัวประธานร่างรัฐธรรมนูญนะฮะเสนอแก้เองนี่คือคือคือแสดงว่าจริงๆริงมีจิตใจเรามั น, ม, นมันหาข้าอยุติไม่ได้ จิตใจมันมมีหลักเกณฑ์อะไรมันขึ้นอยู่กับการกำหนดเอาวันนี้ไม่ชอบพรุ่งนี้ชอบพรุ่งนี้ชอบมาหรือนี้ไม่ชอบมันก็ไม่รู้อะไรก็แสดงว่ารูปสวยจริงๆมันไม่งีที่เป็นสากลยอมรับว่าเป็นสากลไม่มีแต่เป็นเรื่องของจิตที่ปรุงเอา นะเราก็พอใจสำหรับเรานะเราก็ชอบสำหรับเราต่นนั้นเด็กแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องชอบอย่างเราคนนี้เราเราไม่ชอบก็หมายความว่าไม่ใช่ทุกคนต้องไม่ชอบแต่เราไม่ชอบก็คือเราไม่ชอบเพราะอยู่ที่ใจเราตอนนั้นดังนั้นส่งสอนในแนวที่ว่าไม่น่ายินดีนั้นให้ท่านท่านลองสังเกตว่าการลักทรัพย์ก็ดีการรัพูดฟิวศซงการบริการพูดเพศคดีมันเกิดจากความยิน ด, ดีหมายความว่าอยากได้ทรัพย์ เยนะะอยากได้คู่ครองคนอื่นอยากได้ผลประโยชน์จากคนอื่นแล้วก็หลอกหลวงมันเกิดจากความโลภความโลภก็นําไปสู่ความโลภมันเกิดจากความยินดีถ้าเราไม่ยินดีมันไม่โลภเห็นไหมมันเกิดจากความยินดีก่อนปัญหาว่าเราชอบหรือไม่ชอบมันไม่ถามว่าอาหารนี้อร่อยหรือไม่อร่อยแต่ถามว่าเราชอบหรือไม่ชอบถ้าเราชอบเราก็อยากมันก็อร่อยจะมาเปล่า แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องอร่อยซึ่งึงวันจริงก็ดีอย่างนะถ้าอร่อยเหมือนกั็คงยุ่งเหมือนกันนะนะถ้าทุกคนสวยหมดเหมือนกันหมดใครรอบหมดคงแย่งกันคงแย่งกันแล้วก็ฆ่ากันตายอีกก็ดีเหมือนกันในแง่ของโลกเนี่ยก็มองในแนวหลากหลายตามพื้นฐานของการคิดปรุงนะะการปรุงคิดก็ส่งสอนในแนวที่ว่าไม่น่ายินดีอะไรเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น แตกดับไปตามธรรมดาของมาันใจเราไปวิ่งเกาะขึ้นมาเองไปสร้างปัญหาเองแล้วก็ในที่สุดก็เดือดร้อนเองอย่างอย่างที่เคยยกตัวอย่างพระเทรีสองรูปนะะพระกีสาโคตมีกับพระปตาจาราเทรีท่านทุกข์เพราะสามีตายเพราะลูกตายเพราะพ่อแม่ตายที่ตายตาย ปตาจารยะยะปตาจารานี่บ้าไปเลยกีสาโคตมีเนี่ยก็วิตปราดไปนะฮะวิตปราด ไ, ไม่ยอมรับว่าลูกตายต้องอุ้มลูกซึ่งขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยชักจะมีกลิ่นไปแล้วไปเจหายารักษากันแต่ถ้าเรากำหนดมองดูจริงๆว่าลูกด้านหน้านะมันก็เพิ่งเป็นลูกเราไม่กี่วันเราอยู่ในคันก็ตีจะเอาแปะเก้าเดือนนะ่ะ ออกมาข้างนอกก็ไม่กี่วันนั่นเองมุมสร้างปัญหาเยอะเลยเกิดได้ปัญหาเยอะจนแม่เป็นบ้าไปเลยแต่เอาไปจริงจริงมันมันมันเพิ่งมาเป็นของเราท่นเองนับนับวันเวลาเป็นของเราชีวิตก่อนหน้านั้นทั้งเยอะเด็กเ่านี้เด็กๆกคนเนี้เด็กที่มาแล้วมาเกิดหน่อเดียกันตายเนี่ยไม่ได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรเลยแต่พอมาพอใจเราไปยึดปั๊บเราเป็นลูกของเราท่นเองก็ยุ่งเป็นบ้าไปทั้งคู่เลย แต่คนบ้าทั้งคู่นั่นนะฮะพอได้ปัญญาขึ้นมาบรรลุมรรคผลเป็นพระหันทั้งคู่เลเป็นการมองจากจุดเดียวกันเรียนจากจุดเดียวกันเรียนจากลูกอิสากุตมีก็เรียนจากลู ก, ก, ก, บ, ก, ลกบ้าก็เพราะลูกแล้วก็รู้รู้ร ก, ก็เพราะลูกเนี่ยพระสบลูกที่แกบ้าเพราะไม่ยอมรับว่าลูกตายคือตาย ที่เกบรรลุมรรคผลก็เพราะรับยอมรับว่าลูกตายก็คือตายเห็นไหมมันนิดเดียวนึงตายแต่ไม่ยอมรับว่าตายบ้าเลยกิสาก็เอพระประตาจาราเทรีก็มีลักษณะเฉลี่ยคือตายหมดแล้วฮะแล้วพ่อแม่พี่ชายไม่ใช่อพ่อแม่พี่ชายที่จริงเขาเผาแล้วด้วยซ้ําไปแต่ท่านไม่ยอมรับอะยอมรับไม่ได้เมื่อยอมรับไปได้ไมันก็ฝืนความจริงเขาตายแล้วเขาเผาแล้วไม่รดรับได้ไง พระพุทธเจ้าส่งประทานความจริงครับท่านก็เข้าใจแล้วท่านก็เรียนรู้แล้วท่านก็ใช้เป็นเครื่องมือสอนคนได้เยอะแยะไปหมดเลยตัวการใหญ่ก็คือรู้กับไม่รู้เห็นไหมรู้กับไม่รู้ด้านนั้นเองนิดเดียวเองฮะเป็นเส้นขนานของความคิดไม่รู้แรงจนบ้ารู้แรงจนบรรลุมรรคผลเป็นรานแรงทั้งสองด้านนะแรงทั้งสองด้านตัวอย่างค่อนข้างชัดมากสอง สองท่านเนี่ยหมายความามองยินดีจนไม่ลืมหูลืมตาตายก็ไม่ยอมรับอัตายยินดีแรงไปมองไปในแนวดิพราะเกิดเพิ่มพูนปัญญาเหตุผลขึ้นมาก็ไม่มีอะไรที่เปนหน้ายึดมันถึกมันอะไรยอมรับความจริงแล้วก็ไม่ยอมสยบไม่ยอมตกเป็นทาสไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของ ก็เรียกโลกามิตรนะฮะเป็นเหยื่อของโลกมายอมตกเป็นเครื่องมือของลมร้นั้นเป็นการมองในแง่รู้เท่าทันว่าไม่มีอะไรที่น่ายินดียินดีนั้นเราปรุงขึ้นมาเองเราปรุงขึ้นมาเองมันไม่ใช่สิ่งเห่านั้นน่ายินดีโดยธรรมชาติแต่จริงแล้วเราปรุงขึ้นมาเอง มันก็ขึ้นอยู่กับการมองอย่างนานมาแล้วทีเคยล่ากับพงาง น, นคือคนก็นั่งคุยกันสี่ห้าคนนะมาลองถามดูถามดูาสมมุติะถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่หนึ่งตอนนั้นมันสี่ห้าแสนนีแต่แต่นันตามเจ้าเงินทำอะไรฮะปรากฏว่าตอบไม่ตรงกันเดกคข ออกไม่ตรงกันแต่คนหนึ่งคนหนึ่งเป็นครูนะคนหนึ่งเป็นพระคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเป็นสาวนาคนหนึ่งก็รู้สึกว่าพ่อค้านะเจ้าของรุง่นสีก็นั่งกันสีหาคนก็เราลองถามดูก็เห็นว่าเอาข้อจริงแล้วปัญหาก็ยึดติไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับการคิดของบุคคลเหล่านั้นเราต้องการอธิบายแล้วที่คอมมินิต์ด้วยนะตอนนั้นมันสู้กับคอมมินิต์กันอยู่ ต้องการอธิบายความคิดแบบโคมนิต์ด้วยแต่ว่าเราก็คืบเข้ามาตรงตรงนี้พอดีก็ตั้งวงกันอยู่ตอนนั้นโคมนิต์ป่าดแรงมากนะต้องสู้กันต้องนั่งอภิปรายแต่เราก็ไม่ชนตรงตรงเลยนะเราต้องอาการอาธิบายหเห็นว่าไอ้ที่ว่ามันมันมันเป็ น, เ ป, นเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าที่เชื่อถือกันเนี่ยเพราะมันสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงไปตามจิตของคนมันไม่ใช่เราจะบังคับควบคุมความคิดของคนทั่วโลกได้ แครก็คิดยังไงก็ทำของเขาอย่างนี้เนี่ยตามความรู้สึกของเขาได้เงินมาคน ล, ละห้าแสนยังคิดไม่เหมือนกันเน็ตเพราะฉะนเราจะแจกเงินในคนรวยเท่าเท่ากันมันมั น, ม, นมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าแกจะไปใช้จ่ายเงินเหล่านั้นตามความรู้สึกนิคิดของแกแต่นั้นเองและการมองตรงนี้ที่จริงมองในแง่ความจรงิง ก็ไม่มีอะไรที่ที่มันมันน่าดูน่าชมน่าอะไร น, นอกจากว่าใจเราถูกย้อมด้วยแรงของกิเลสเท่านั้นเองตัวนี้ที่ยิงมองยาก น, นะฮะมันทวนกระแสเยอะเลยเพรมองรวบไปเลยไม่น่ายินดีอะไรแต่ไม่ใช่มองด้วยปฏิฆะไม่ใช่มองด้วยความโกรธนะฮะมองด้วยปัญญารู้เท่าทันไม่น่ายินดีอะไรมันเป็นสัตว์เป็นสังขารเท่า น, ทนั้นเองเป็นของดํารงอยู่ชั่วครั้งชั่วคราว แต่มันทวนกระแสแรง อ, อย่างที่รับสั่งแก่สหายของนางวิสาขาซึ่งถึงพกเล้ามาฟังเทศนะ่ะก็จิบเล่าไปเรื่อยๆ่จนเมาอาการิปปกติพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเธอตั้งหลายจมัวเพลิดเพลินรื่อยๆงอะไรกันในเมื่อโลกสันนิวาสเป็นลุกโพรงอยู่เป็นนิด โลกสันนิวาสก็คือหมูสัตว์นะที่อยู่ของสัตว์ก็ได้หมูสัตว์ก็ไนดนะ้เธอที่ถูกความมืดคุ่มหมอเอาไว้ทำไมไม่สวงหาประทีปเป็นเรื่องสองทางให้แก่ชีวิตแล้วพูดแปลกเลยนะไฟลุกโคงมันน่าจะสว่างเอ๊ะถ้าไฟลุกโครงทำไมถึงมืดเป็นภาษาที่แปลก ไฟลุกโพรง่งโลกนี้ลุกโพร่งอยู่เป็นนิดเธอที่ถูกความมืดคุ้มเผอเอาไว้ทําไมจึงไม่สว่าอาตชิตแต่เนื้ออกพระสูตรวังก่อนเรูดเรื่องอักขีสูตรเนี่ยนะที่ลุกโพร่งอยู่เป็นนิดก็คือจิตมันถูกเผาด้วยไฟราค่าโทสะโมหะมันเผาไฟตัวนี้ที่โพรง่งเนี่ยโพรง่พร ง, พรงร้อนนะฮะโพร่งร้อนไม่จะโพร่งสว่างเพราะนจิตจริงๆมันถูกความมืดเขื่อนวิชาบันทุกหผอไว้ แล้วก็ถูกเพลิงก็เกลียดมันเผาภาษาที่รับสั่งแล้วกระตุ้นให้คิดพออ่านปั๊บเนียมันมันไพเราะจริงๆไพเราะจริงๆเห็นเป็นภาพเป็นเป็นรูปร่างแสดงว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขามองเห็นว่ามันน่าหยินดีน่าชื่นชมยินดีก็าส่งสอนในแนวที่เรียกว่าให้มองโลกว่าไม่มีอะไรที่น่าชื่นชมหยินดีแล้วพยายามที่จะดึงจิต นะจากความเกี่ยวเกาะแนวร่มทั้งหลายเหล่านั้นจนสร้างเป็นรูปแบบรเราเห็นว่ารูปแบบสมณะจริงๆนักบวชในพุทธศาสนาจริงๆนีที่ทรงสร้างเดิมจริงๆนะนะฮะมันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรร่อนนะี่ยนะลักษณะเรร่อนแต่เราคิดแบบธรรมดาเรามาคิดแบบทุววันนี่ว่าโอเป็นองค์กรที่ตั้งขึง้นมาได้ยังไงไม่น่าจะมาได้ เราลองดูว่าพระเสซนสตมุตรปันเดลกีบวชปั๊บเนี่ยบวชปั๊บนอนที่ไหนกินที่ไหนไม่มีอะไรเลยมีแต่ผ้าสามฝือนอะไรไม่มีที่นอนไม่มีที่กินไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรไว้เลยไม่มีอะไรรองรับเลยนะซึ่งระยะเวลาก็สั้นนะวันหนึ่งก็สิบสองชั่วโมงนะเฉพกากลางวันเอาแล้วลวันละยีิบชั่วโมงก็ไดกันเอาละ มันเวลาสั้นมากแล้วไม่มีอะไรเตรียมรับไปเลยแต่องค์กรนี้ตั้งขึ้นมาได้ตั้งกันมาได้แล้วก็อยู่สืบต่อไปได้เพราะตรงไหนที่มีปัญหาเข้มงวดมากชาวบ้านไปแก้ให้ชาวบ้านไปเสริมให้นะเพราะ ง, งั้นไอ้สิ่งทั้งหลายที่มีในที่จริงชาวบ้านเขาสร้างขึ้นชาวบ้านเขาแก้วงนางวิสาขาพวกเป็นตะกะเศรษฐีนาตบินทกีกะเศรษฐีมองมาแก้ให้ถ้าถ้ารูปเดิมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักบวชเรร่อนแบบนอกคมิน้นเหลืองอ่อน ไม่รู้นอนไหนนะฮะบินไปเรื่อยๆข้าไหนก็นอนนั้นแล้วก็จับแล้วก็ไม่ทิ้งรอยไว้ไปเลยบินไปเรื่อยๆเป็นชีวิตที่น่าน่าทึ่งนะฮะน่าทึ่งพอทรงสร้างแล้วก็สืบต่อกันได้ยังไงมามาัก ม, มักมองไปรูปเป็นรู ป, เ ป, ร ป, เ, ป, รปเป็นรูปของของของสังคมลักษณะาทางสังคมนียว่า เยี่ยมยอดมากว่านักบวชอื่นเขามีที่รองรับไว้นะเขามีที่รองรับไว้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามลทัทธินะสี4ลทัทธิเนี่ยสีศาสนาในศาสนาพุทธศาสนาคริสต์นิกายโรฮันะะคาเท็ลกคริสต์แล้วก็ฮินดูแล้วก็เชนแบบเร่รอนนะแบบร้รอนแบบนักบวชเร่รอนพระเยซูก็เหมือนกันนักก็เร้รอนอยู่ในทะเลทราย ก, กว่าจะมีหลักมีฐาน อ, อะไรๆ ข, ขึ้นมาได้อีกนานทีหลัง ก, ก็เป็นโครงสร้างชีวยตที่ที่สามารถสืบต่อได้เนี่ยก็เก่งมากประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าอ น, นิจจสัญญาคือมองให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งทงั้งหลายสิ่งอะไรสิ่งที่เราไปเกาะว่าของเราเป็นเราเป็นตราเป็นต้ น, ตนของเรา ตัวเราเองทึ่งไปยึดเพื่อนไว้เนี่ยยึดวไว้นั่นของเราไอ้นั่นเป็นเราเราเรเป็นอย่างน ías, <c oughs zeit> noise, าั numbers, ้นอย่างนี้ที่จริงเราเองก็ไม่เที่ยงแล้วก็ต้องการให้เป็นอยู่ตลอดมันก็เป็นได้อย่างไงไอ้ที่เป็นมันไม่เที่ยงมันก็เหมือนเอาของไปวางไว้นะฮะของให้วางไว้อยู่ตลอดไปแต่ว่าไอ้ตึกนั้นมันจะพังอ่ะมันจะวางได้อย่างไงเอาของวางไว้บนตึกแต่ตึกนั้นต้องพังแล้วเราก็ต้องการให้ของนั้นมัน ตั้งอยู่ได้ตลอดไปซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะงั้นเราเราเห็นว่ามรนะสัญญาเนี่ยคือมองตัวตัวตนตัวตนของเราให้เห็นว่าเราต้องตายเราต้องตายเราเองนั้นก็เป็นที่เกาะกลุ่มของสิ่งปฏิกูลทามาหลายเนี่ยแต่ทำไตรมาเล่นเราไปมองว่าไอ้ น, นั่นมันของเราของเราของเราของเราอันนั้นก็เราเป็นเราเป็นเราเป็ น, ปนแล้วก็ เพราะเรารู้สึกว่าเป็นรูเป็นตนของเราแล้วเข้าใจว่าตัวตนของเราไม่ตายตัวตนของเราเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนไม่แปรผันอะไรแต่ลพราะฉะนัออ้นมันก็มีความกัดแยงกันทรงสอนให้มองในแง่ของอนิจจสัญญาคือไปไม่เกาะอะไรก็ตามคือคืออย่าไปคิดตัวมันเที่ยงแท้แน่นอนอะไรในขณะที่อยู่ก็คืออยู่แต่ไปก็ต้องยอมรับว่าไป มองคล้ายๆกับแขกมาเรือนมองคล้ายๆกับของยืมเข้ามาในขณะที่อยู่ที่มือเราก็ใช้ประโยชน์ให้ได้ตามต้องการกันแล้กันปรเดี๋ยวก็ต้องคืนเขาแขกเข้ามาที่บ้านต้องการจะติดต่อพูดจาอะไรากร็รีพูดพูดพู ด, พ ด, พ ด, พดไปนะครับปรเดี๋ยวก็ไปแล้วนั่นก็คือหมายความว่าอยู่ชีปัจจุบัน ปัจจุบันนี้เป็นกระแสมันไหลอะมองไปเรืยเพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดแก่ตายนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่ตายมันก็มีอยู่สองสถานะถ้าไม่มีชีวิตก็เรียก่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแ ต, าาไ ต, ต่มีชีวิตก็เกิดแก่ตายเป็นการดำรงอยู่เพียงชั่วขณะมาต่อต่อต่อกัน เป็นการดำรงอยู่ท่าท่ากลางความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะที่เรายึดจิตว่าเที่ยงในจิตมันยิ่งแย่กว่ากายัรงเยอะอจิตไม่เคยเที่ยงเลยสักนาทีเดียวลองนั่งดูสมาธิตีเรานั่งกันยี่สตันทีจะเห็นวไปตังไหนตั้งหนมันกูตลุดตปหมดเลยมันจิตมันไม่นิ่งมันไม่เที่ยงมันมันมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับกันทยอยกัน แต่ลองสังเกตว่าเราฝืนเราเรายอมรับคติธรรมดาตรงนี้ไม่ได้เราจึงมีปัญหากับสิ่งที่ไม่เที่ยงเพราะเราคิดว่าต้องเที่ยงเห็นไหมเรามีปัญหากับความแก่เรามีปัญหาความเจ็บเรามีปัญหาความตายเรามีปัญหาก า, ารพัก ท, ที่จริงๆตรงนี้มันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพักๆแต่เราไม่ยอมรับว่าต้องผมไม่ยอมรับปรตอ้รรรตองเราก็เดือดร้อนเพราะตรงนี้ หรนเพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายเพราะการเพราะพลังเพราะั้นก็ส่งสอนในแนวอนิจจสัจมจักวันนี้บทสวดนะฮะอาตมายัางยังนึกว่าตอนเป็นเด็กที่มันมีพิพิธมามันได้ยินพระสูตรแต่เราชอบมากแต่เราก็ไม่รู้มายความว่ายังไงนะเว้ยเด็กๆเจ็ดแปดขวบอะฟังพระสูตรหรือสูดเจ็ดเสียงตั้นลากยาวนะเราก็เป็นเด็กนั้นฟัเอ๊ะมันเพาะอย่างนีน้ไม่รู้อะไรมันเพาะฮนะะอยากฟัง ไม่เข้าใจอะก็สวดก็เรียงขันห้าเนียเรียงเรียงไปเรื่อยเลยได้ว่าสวดท่านท่านท่านทอดเสียงยาวพร้อมพร้ อ, ร อ, รอกันนะรูปังอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยงยะดะอนิจังตังลุกข้างรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์ ยังดุข้ังตังอนัตตารูปใดเป็นทุกรูปนั้นใช่ตัวใช่ตนยดาณตาตังเนตังมามเนโซมัสเมเนโซมีอั ต, ตารูปใดใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเราสัญญาวแลด่ทอดยาวรูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราเราขึ้นเวทนาสัญญาตั้งการเหมืนอย่างทุกวันเราก็ได้ยินทุกวันก็ชอบฟังไงนะชอบฟังแต่ไม่รู้อะไร ไม่รู้อะไรสนใจว่าเออมันมันมันมันอะไรแต่ก็พยายามอ่านพยายามคิดนะนะรู้สึกว่าทุกวนก็ยังเพลาะมากนะรู้สึกว่าพลาก็ให้คิดไปบ่อยเพราะแนววินาศปจัจจจเบขณะก็คือมองตรงนี้มองในแนวของอนิจจสัญญา ที่เรามีปัญหาอย่างที่บอกว่าปัญหาทั้งหมดเดี๋ยมันมาจากตรงไหน ม, มันมาจากตัวสัตวตถาทิฏฐิกับอุเฉตถทิฏฐิทั้งหมดเดี๋ยมันมาจากตรงนี้ตัวนี้คืออาการของวิชาท่านเห็นว่าที่เราถือว่าสาัตวตถาทิฏฐิถือว่าเชี่ยงมันไม่มีอะไรเชี่ยงแต่เราไปก้าใจว่าเชี่ยงก้าใจว่าเราเชี่ยงอะไรนั่นเชี่ยงอะไนั่นเที่ยงอะไรเที่ยงคือ ดูก็เราตลอดไปพุ่ง่งวาอยู่เราตลอดไปนะเราเองก็จะเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันเราก็เลือดร้อนปพระตรุกนี้เวลานี้คนเศรษฐีใหญ่ยยๆบางคนเพอรู้จักกันนะฮะอยู่ i อซอยู่ตั้งเจ็ดแปดปีนะอยู่งั้นป่าจ่ายวันเขาทำอะไรเขาอยู่ทำอะไรก็ไม่รู้พิกลจริงเขอยู่ทำอะไร ตายสงบสงบมีสติดีๆตายไปดีกวา่าหรือเกิดใหม่มันอยู่ทําอะไรเนี่ยคื อ, ค, อคือเราต้องการให้เที่ยงก็เห็นมันเที่ยงได้อย่างไงตัมันเที่ยงได้อย่างไงมันไม่เที่ยงพะฝืนก็นดีธรรมดานตินี้สร้างปัญหาใหญ่เลยตายก็ไม่ตายอยู่ก็ไม่อยู่นะเป็นคนก็ไม่ใช่เป็นผีก็ไม่เชิงมันไม่รู้อยู่ทํำอะไร มาในตั้งตั้งใจเด็ดขาดเลยถ้าถ้าแน่ใจจะตายลหลายสายดุงรังไม่เอานั่งนอนภาวนาดีกว่านอนสงบสง บ, สงบตั้งสมาธิตายไวย้เถออยู่ทําไมมันมันไปนอนขมเหลวมเหลวอยู่บนเตียงเนีสายระโยงร ะ, ย, ะย่างเยอะไปหมดเลยคูบาอาจารย์ท่านท่านไม่เอาเลยนะท่านสั่งไว้เลยท่านท่านไม่ให้ส่ท่านพอแน่ใจแล้วท่านไม่เอาแนละ้ว แล้วก็โปร่งแล้วสังมานละแล้วที่ที่จริงมันก็ช่วยนะเวทนาสมมติว่าโรคอะไรมันช่วยเราก็ดูที่เวทนาดูไปทีๆเวทนาพิจารณาที่เวทนาก็ดับที่เวทนานี่พระเยอะไปที่ท่านที่ท่านเจริญตรงนี้ในสมัยพุทธการอย่างพระติสสะที่เคยเล่ากันท่านก็ดูที่เวทนาเวทนาเกิดอุป च ากอัตมาในถูกเจาะตีคอเจาะตรงเนี้ยเจาะตรงนี้รักษาโรงใยาบานสม ท่นก็ไม่สงบเป็นห่วงตรงนั้นเป็นห่วงตรงนี้เลยแต่มาก็เทศสอนอุปจารผมไม่ต้องยุ่งเรื่องไม่ต้องยุ่งดูตรงนี้ดูตรงนี้ถูกมันเรื่อยๆและอย่างอื่นถ้าหายก็ค่อยว่าถ้าไม่หายผมจะการให้เองนั่นก็ดีนะเราก็สอนอุปจาร์แรงไปหน่อยแต่แคดีก็ต้องกันนิ่งอยู่ตรงนั้นกั น, ก น, กนแล้วก็สงบตายสงบเลยปสงบนิ่งเลย แค่ก็แผ่วแพรแล้วก็ดับบอกว่าดูตรเนี้ดูตรงนี้มันครูดครูดครูดครูดเป็ข้ า, าขออกเสียงลงครูดคบอกดูตรงนี้ไม่ไม่ไม่ต้องยุ่งตรงอื่นก็ต้องําวันนะมันก็ตายแต่ก็ตายได้ดีตาได้ดีหลับแผวไปเลยที่จริงคนตายแต่เราช่วยกันให้สติเขานะช่วยกันให้สติพูดวิมีวิธีพูดได้รับประกันตรงอื่นไว้ให้ด้วยไว้ที่ท่านเป็นห่วงท่านไม่ต้องห่วง เราจะจัดการให้ในนี้ที่ท่านต้องดูก็คือดูตรงนี้เวทนาเนี่ยมันช่วยมากไนะช่วยมากมันดูง่ายด้วยดูง่ายด้วยมันชัดมากเลยเห็นเห็นอู้ร่างกายเนี่ยแบกไ ว, ว้มันปวดมันเจ็บมันทรมานอะไรต่างๆแล้วต่อไปนั้นทรงใช้คำว่าอ น, นิจจทุกขสัญญา แต่คําแปลกนะนิจะทุกข์สัญญาหมายความว่ากําหนดหมายเห็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงกําหนดเห็นให้เห็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงหมายความว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิงนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเพราะอะไรสิ่งที่ไม่เที่ยงซึ่งเรามองในแนๆของนิจจาเนี่ยมาดูถึงความทุกข์ของมันทุกข์เพราะอะไรเพราะมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทุกข์เพราะว่า ไม่มีรักษาสภาพเดิมไว้มันมีการเปลี่ยนแปลกนะอย่างที่เรานั่งมาเราเห็นว่าก็เปลี่ยนแปลกเปลี่ยนแปลกไาจากจากไม่ปวดเป็นปวดจากปวดน้อยเป็นปวดมากอะไรต่ามันก็เปลี่ยนแปลกแล้วจะถูกปัจจัยต่างๆเข้ามาแผดเผาคอยเกิดความ ร, าร้อนซึ่งถ้าเรายอมรับความจริงเนี่ยที่จริงไม่น่าจะเดือดร้อนเอามาติดตามข่าวน้าท่วมทุกคืนแต่มารู้สึกเฉยๆนะ พระมาก่อนตอนจะเข้ามาอยู่กรุงเทพยี่สิบเจ็ดปีเราน้าท่วมทุกปีเราไม่เห็นเดือดร้อนอะไรแล้ไม่เห็นใครเคยไปช่วยสักแอดหนึ่ยี่สิบเจ็ดปีไม่เคยเห็นใครช่วยอะไรเลยนะะนิดเดียวก็ไม่มีเลยไม่เคยเห็นใครไปอย่างไ้นแล้วเราก็อยู่กันเราได้ไม่เห็นเป็นอะไรเพราะงั้นมามาว่ามันอ่อนแอไปอะน้ำท่วมมัก็ท่วมนะน้ำมากมันก็ท่วมอ่ะคุณไม่อยากท่วมขึ้นมปอยู่ภูเขาคุณก็บวมวัาน้ำแรงอ่ี้กัน มันมันมันมันมันธรรมดาธรรมดาตําขานไม่เอาอะไรมันนักงหนาหรือหาประโยชน์จากมันเราจะไปเดือดร้อนกับมันไปมันก็แห้งเองนะฮะมันก็มีอยู่สามอย่างแต่นั่นนะก็มีมีน้ําน้ํามากน้ําน้อยไม่ไม่มีน้ํามันก็มีแค่นั้นนะก็มีสองสามอย่างแต่ยังบุบกันอยู่เนไอ้นี้ก็คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าเราไปให้ความสําัญแล้วไปเดือดร้อนเพราะมันเกินไป บางทางที่มันเป็นกระบวนการการทำอาระแล้วพวกมียมอยู่ทั่วโลกปีนี้แปลกนะฮะเราจะเห็นว่าทั่วโลกตัวโลกแผ่นดินไหวก็มากขึ้นเมื่อคืนเนอาตรายการนิตยอย่พูดดไอ้ินน้าลงไฟนี่มันเป็นพิษแรงทั่วโลกุกแข่งแผ่นดินไหวก็มากอ่าน้าหลากก็มากไอไอ้ฝุ่นพายุทอร์นาโดอะไรทโครงอะไรเขนีเยอะไปหมด เรื่องถือว่าดินน้ำลงไฟมีอันตรายมากตอนนี้มากส่วนมากอย่จะมากไปนะดินน้ำลงไฟต้องสัมพันธ์กันคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปคือเราเรียกว่าสมดุลโดยสมดุลกันเราก็ส่งขส้อให้มองในแง่ของความเป็นทุขแล้วก็ข้อสุดท้ายว่าอานัตต์ทุกขัสัญญา มองเห็นทุกในสิ่งที่เป็นอนัตตามองเห็นทุกในสิ่งที่เป็นอนัตาก็แสดงว่าเน้นที่ทุกเน้นที่ทุกสิ่งสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาอ่ามันก็หมายความว่าสิ่งเดียวมันเป็นทั้งสามสิ่งอะเช่นเราเนี่ยก็เป็นทั้งไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเอาไมโครโฟนเองก็ทั้งไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วเราก็มองในแง่ของความไม่ เป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเ ร, เราบังคับอะไรเราไม่ได้สองสิ่งนั้นเราไม่เป็นเจ้าของอะไรจริงแม้แต่ตัวเราเราก็ยังไม่เป็นเจ้าของจริงเลยแล้วเราก็ไปยึดถือเป็นตัวเป็นตนเราทั้งครั้งนี้ตัวเรายังไม่เป็นของเราเรยวยึดถืออะไรมันก็เดือดร้อนนันแล้วก็พอย่อยออกไปจริงมันไม่มีอะไรเลย ทั้งของเราก็ไม่มีจริงทั้งเป็นเราก็ไม่มีจริงเป็นตัวเป็นตนของเราก็ไม่มีจริงในเรื่องสมมติบันยติแล้วพวกนี้มันไปสมมติที่ตัวกายเพราะตัวกายดับอันนั่นก็ดับเห็นไหมเป็นเจ้าคุณก็ดับเดีวคุณก็ตายแล้วมาชอบดูพัดแล้วมาเก่าจังเลยที่เจ้าของตายไม่รู้กี่คนเราก็ไม่กี่ปีเราก็ตายก็แบกอครอบครอบครองของตายนะของคนตายกันเตยนเว ก็ใก่้ก็บอกว่าเธอก็ต้องตายอนกนี่ก็เป็นแนวสัญญาที่มองเห็นสิ่งทั้งหลายโดยใช้ปัญญาเป็นหลักวันนี้ก็ขอจิตไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจเร็จใอความพยบุญในธรรมทั้งมี้ดุท่านสาวชนทั้งหลายโดยทกกรงกันทุกท่านเธอ